เสียงด่าทอกับร้อยทั้งร้อยมาจากคนที่เห็นแค่อะไรไม่ดีทางนี้ไม่ใช่ไรเดินแปลว่าผิดหรือไม่ก็เป็นคนเลวร้ายไปเลยและเมื่อเห็นใครไม่ดีหรือคิดผิดก็ถือสิทธิด่าทอเขาได้ด้วยโทสะเจตนาเพียงเพื่อให้เจ็บใจไม่ใช่เพื่อหวังว่าจะช่วยใครให้ดีขึ้นส่วนเสียงบอกทางนั้นมาจากคนที่เห็นหมดแล้วทั้งทางดีและทางร้าย ทางนี้มาจากไหนอีกทางเริ่มจากที่ใดเลี้ยวซ้ายขวาจะไปจบที่ยอดเขาหรือหุบเหวเห็นใครหลงทางก็อยากช่วยให้เขาสู่ทางออกเห็นใครเดินผิดก็คิดบอกทางถูกให้ทันทีและเมื่อตั้งตนเมตตาถ้อยคำย่อมไม่ระคายโสดใครฟังก็รู้สึกว่าเป็นเสียงช่วยให้อะไรอะไรดีขึ้นไม่ใช่เสียงที่ซ้ำเติมให้อะไรอะไรแย่ลง โลกออนไลน์มีทั้งเสียงด่าทอและเสียงบอกทางมากกว่าโลกความจริงที่เห็นหน้ากันเพราะในโลกความจริงคนเรามักแอบคิดด่ากันอยู่ในใจขีดเกียรติพูดให้เกิดเรื่องเกิดราวหรืออยากบอกทางแต่ไม่กล้าพูดก้าวไกลเกรงจะโดนหาว่าแส่เสนอหน้าไม่เข้าเรื่องแต่โลกออนไลน์คือโลกที่อนุ ญ, ญาตให้พูดจึงพูดกันเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจ ไม่ว่าจะมาจากเจตนาดีหรือร้ายแม้จะเป็นเพียงโลกออนไลน์ถ้าคุณแยกแยกออกว่าที่ไหนมีเสียงด่าทอมากที่ไหนมีเสียงบอกทางเยอะแล้วเลือกโคจรในที่ที่มีเสียงบอกทางออกห่างจากที่ที่มีเสียงด่าท อ, อา ก, ก็ถือว่าเป็นกรรมดีถือเป็นบุญใหญ่ชนิดหนึ่งเพราะนั่นคือการเลือกโลกแห่งการเกรื้อ ก, กูลโลกแห่งการไม่เบียดเบียนกัน คลุกคลีกับหมู่ชนเช่นใดตัวเราย่อมโน้มเอียงไปสู่ความเป็นบุคคลเช่นนั้นคนเลือกที่จะอยู่ในโลกแห่งการเกื้อกูลเท่ากับเลือกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ให้ตัวเองทุกวัน